Thank mm -hmm. you. พูกับทุกท่านผู้ที่เจริญสติก็อาจจะฟังได้พบได้เห็นในสิ่งที่คําพูดเป็นการสัมผัสได้คําพูดแต่ว่าเป็นการสัมผัสแต่ว่าผู้ที่ไม่เจริญสติอาจจะไม่ค่อยสัมผัสได้เพราะว่ามันเป็นส่วนตัวเราจเจริญสติสติมาไว้ที่กายเราก็สัมผัสไปด้วยทันที รูปที่กายกายเราก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะรูปแบบบริบทที่เราสร้างเรียกว่าบัพพะกายบัพพะสัมชัญญะบัพพะจิตบัพพะคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายของจิตเรียกว่าบัพพะทั้งรู้สึกทั้งเลือ่อใกล้ไปพร้อมๆกันก็ได้หลักใต้ฐานความรู้ก็สัมผัสได้ความหลงก็สัมผัสได้แต่ว่าความหลง เราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ให้มันถึงอกถึงใจเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะมันจะเก่งตรงนั้นแหละถ้ามันไม่หลงมันก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีบทเรียนประสบการณ์ที่เราได้จากการศึกษาปฏิบัติก็ทําให้เราเก่งกล้าขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราศึกษาวิชาการต่างๆ่างตัวทงานมีประสบการณ์ ก็ชับในชำนาญในการประสบการณ์ที่ทำงานแต่ผู้ที่ไม่ทำงานก็ไม่ไปประสบการณ์ผู้ทำงานก็ต้องมีผิดมีถูกผู้ปฏิบัติก็มีผิดมีถูกเหมือนกันความผิดเพื่อให้เกิดความถูกทุกเรื่องไปโดยเฉพาะการปฏิบัติมันเป็นของที่เปลี่ยนได้แก้ได้ไม่เหมือนการทำอย่างอื่น การทำบางอย่างถ้าเสียแล้วก็ทิ้งเหมือนโรงงานแห่งหนึ่งเขาผิดยางรถในมอเตอร์ไซค์ผิดหลายคลังหลายหนก็ไม่ได้ยางที่ไปผิดก็ทิ้งไปเลยเป็นขยะไปเลยมันออกมาแล้วมันใช่ไม่ได้เอาไปทิ้งเอาไปขายเป็นขยะแต่ว่าการปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นมันเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกตาย มืนก็ว่ามันเป็นปฏิบัติได้ให้ผลได้ความผิดทำให้เกิดความถูกความทุกข์ทำให้เกิดความไม่ทุกข์ได้ความหลงทำให้เกิดความไม่หลงได้ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจโดยเฉพาะความรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยเป็นตัวเฉลยเรื่องกายเรื่องกิจฉเฉลยได้ทุกเรื่องไม่จนไม่จนถ้าเรามีสติเราจึงเพียรพยายามที่จะสร้างความรู้สึกตัว ให้มีให้มากมียังไม่มากก็ไม่พอใช้คึ่งรูครึ่งหลงบางทีหลงมากกว่ารูด้วยซ้าไปเหมือนเราไม่มีเงินเมทองก็ไม่สามารถที่จะซื้ออะไรมาอุโปโภคบริโภคได้ความยากลําบากอา จ, จะมากกว่าความสะดวกอันนั้นเป็นทรัพย์ภายนอกทัพยภายนอกก็ต้องหาโดยความภาคเพียรฉันทะวิริยะกิตตะมีมังสา จึงจะมั่งมีจึงจะสำเร็จจาภายในก็ต้องมีความเพียรมีศรัทธามีสติมีความอดทนมีความใส่ใจมีเกณนามีการประกอบสติมันจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบไม่ใช่คิดเอาท่องเอาเอาเหตุเอาผลเอาคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คาว่าคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เด็ดขาดต้องเป็นปัจจังพรเพียเราเอง ลู่ก็ลู่จริงๆถ้าหลงก็หลงลก็เปลี่ยนความหลงเป็นความลู่ล้วก็ความหลงก็หมดไปจริงๆแล้วก็ทําได้จริงๆมันจะหลงอะไรมันก็แสดงออกมาให้เราเห็นอยู่ไม่รับไม่ลี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตของเรามันโง่โง่เห็นความหลงมันโง่โง่มันไม่ปกปิดซ่อนเล่นอะไรผู้ที่มีสติก็ต้องพบเห็นทุกเรื่องไป เพราะว่าสติมันเป็นตาดวงตาภายในหรือว่าตาทิพย์ที่มันเห็นสิ่งต่างๆอาการต่างๆเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นบางผู้บางคนไม่เคยเห็นความคิดตัวเองไม่เคยเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมีแต่เป็นไปกับมันต่พื่ต่เพื่อพอเรามีสติก็เกิดการเห็นเห็นมาเห็นความคิด มันดขึ้นมาความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจส่วนความคิดที่ตั้งใจมันก็ตั้งใจคิดแต่ว่าถ้าตั้งใจคิดแล้วไม่มีสติความคิดก็เฉกโกทำให้เกิดความหมกมุ่นทำให้เกิดอารมณ์ทำให้เกิดความเครียดได้แต่ถ้าเราตั้งใจคิดที่มีสติจับความคิดมาใช่มาใช้สำเร็จเราก็หยุดวางไว กันความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จับมันมามันพุดขึ้นมาที่เราสวดเมื่อกี้ว่ามีขันขันเดียวคือภาวะที่มันคิดขึ้นมาก็เกิดจากความคิดหรือะไรมันเกิดจากความหลงมันจึงคิดขึ้นมามันเกิดเป็นพพเป็นชาติได้ความหลงความคิดตัวเนี้ยมันเป็นขันขันเดียวที่มันท่องเที่ยวไป คิดเรื่องโนดผลคิดเรื่องนี่ก็เป็นไปตามภพตามภูมิของความคิดของความหลงขันศีขันกับพวกภพกภูมิต่างๆเช่นเทวดาหรืออินพรหมหรือพวกที่ดำรับตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบเป็นไม่ชอบมันเกิดเป็นขันศีขันเกิดดับเกิดดับตามภ พ, ตา ม, พตามภูมิต่างๆ ไม่ต้องเลี่ยงดูแล้วก็ตายไปก็ไม่เท่งซากเท่งศพเกิดดับเกิดดับเป็นพพเป็นชาติแต่ในมันเกิดขันสี่ขันเพราะว่ารูปขันมันมีอยู่มันจึงมีขันสี่ขันที่มันขยันที่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราอมีสติมันก็กําหนดควบคุมขันที่มันจะเกิดขึ้นมา อย่างเราสวดเมื่อกี้ด้ว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกยึดมั่นในรูปยึดมั่นในเวทนายึดวันมั่นในสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นพอมีสติมันก็ลื้อถอนลื้อถอนมีแต่ตัวรูตัวรูเขาปล่อยมันก็คลุมมันมปแต่ตัวรูตัวรูเป็นพุทธพุทธแปลว่ารูตื่นเบิกบานเห็นดูอยู่ อะไรที่มันเกิดขึ้นมาดูอยู่เห็นอยู่นะเห็นก็เห็นได้หลักได้ฐานเห็นกายเห็นเป็นรูปเห็นความรู้สึกคิดนึกอะไรได้มันเป็นนามมันเป็นรูปประธรรมมันเป็นนามัทถพบที่มันเป็นกองรูปกองนามกองรูปกองนามนี่เป็นธรรมชาติเป็นอาการเป็นธรรมชาติเป็นอาการไม่ใช่ตัวตน อาการที่เป็นของรูปมีมากมายความร้อนความหนาวความเหนีวความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นกับกองรูปกองนามก็คืออารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงความล้าความชังวิตกกของวลเศร้าหมองมันเป็นอาการของนามธรรมมัไม่ใช่ตัวใช่ตนบางทีเราไปเอาอาการเช่นนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนไปยึดเอาบางทีไปยึดเอากระทั่งความโกรธว่ากูโกรธ ครูกกโกรธระวังนะครูกกโกรธระวังนะถ้าครูได้โกรธตายครูก็ไม่ลืมไปยึดเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนพอถูกความโกรธหลอกเสียผู้เสียคนกระทบกระเทือนไปหลายหลายอย่างที่แท้มันเป็นอาการของนามธรรมาไม่ใช่ตัวใช่ตนผู้มีสติก็เห็นแล้วป่านะเหนเ็นอาการคิดจ้อยไม่มีค่าไม่มีราคาแต่ผู้ไม่มีสติ ก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับอาการนั้นแต่ว่าเป็นภพเป็นชาติภพความโกรธก็ไปสู่อบายความหลงก็ไปสู่อบายความทุกข์ก็ไปสู่อบายความขี้ขลาดที่กลัวก็ไปสู่อบายไม่เจริญชีวิตเราไม่เจริญเสียชีวิตไปเลยอุตสาเกิดมาได้รูปได้นามเขาเอาไปใช้ให้เกิดภพภูมิต่างๆที่ต่ําต้อยเขาเอาไปใช้ เอากายไปใช้เอาจิตไปใช้ไปรับใช่เขาไปรับใช่ภูมิพบพวกอสุรกายพวกเปรตพวกโดยละฉานพวกสกัตว์นรกเล่าล่นตลอดเวลาก็จิตใจก็เล่าล่นที่ขาดที่กลัวเผาล้นไปทางขวางหวงเอาไว้ไม่ให้ผ่านไปทางไหนยึดเอาไว้ติดเอาไว้เนี่ยพอเราไปเห็นลูกเห็นนามแนี่ มันเลื่ถอนรูปมันแสดงให้เราเห็นนามนแสดงให้เราเห็นแล้วก็ฉลาดมันเปิดเนื้อเปิดตัวของรูปของนามความเป็นทุกข์ทุกของรูปทุกของนามทุกบางอย่างมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นแต่เป็นทุกข์เป็นทุกข์แบบถูกลูกสอนลูกเดียวเรื่องของรูปโดเฉพาะรูป พอฝึกหัดไ ป, ปฝึกหัดไปเรื่องของนามนี่ไม่มีเลยคําว่าทุกขาทุก์กในนามไม่มีถ้าผู้มีสติเพราะนามในมันฝึกได้มันมั่นคงปฏิบัติได้ให้ผลได้อาทิกิเตจะอาโยโคมันเราสวดโอวาดพระปฏิโมกขการรู้จักทำรรกิจให้ยิ่งกิจให้ยิ่งคือมันไม่ต่ําไม่ต่ําไม่มีอะไรมาปรุงมาแตง่ง ได้ที่ได้ที่อยู่ได้หลักมันมีที่อยู่ที่อยู่ของจิตไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่อยู่ของร่างกายเราฝึกไปเราสัมผัสดูฮะมันก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไม่เปลี่ยนอะไรกับอะไรมีสติแล้วแล่อยู่เหมือนฌานสมาบัติเวทยิทินีโลดมีแต่สติแล้วแล่อยู่มีแต่สติแล้วแล่อยู่ไม่มีอะไร เพราะว่าถ้าสติได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวแล้วมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสมบัติของกันและกันไม่ใช่ความหลงความหลงไม่เป็นสมบัติของกิจแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกมันก็เป็นสมบัติของกิจตั้งแต่เกิดจนตายเราจำเป็นต้องมาฝึกหัดอย่างที่พูดในคราวก่อนว่าความหลงอาจจะมากกว่าความรู้สึกตัวนะเราจึงจาเป็นต้องฝึกหัดจาเป็นต้องปฏิบัติจาเป็นต้องสร้างสติ ให้มีให้เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราพอเราได้หลักใต้ฐานมันก็มีสูตรการศึกษาตำหลักของสติปัฏฐานสูตรมันมีสูตรอยู่สูตรลื้อถอนมันเรามีมันเราลื้บ้านสร้างบ้านมันเรามีประตูมันก็ปิดได้มันก็เปิดได้มันจึงสร้างขึ้นมาถ้าสิ่งไหนใช่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ จำเป็นจะต้องสร้างไม่ว่าวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆชีวิตเราคงก็ใช้ได้เมื่อเราเห็นลูปประธรรมเห็นนามธรรมาก็เอาลูป อ, าปอานามไปทําความดีได้สําเร็จความดีที่เกิดจากลูปประธรรมมีมากสําเร็จจริงๆแต่ความชั่วที่เกิดจากลูปประธรรมก็ไม่มากเหมือนกันทิพาห้ยริงๆความดีที่เกิดจากนามธรรมา ก็มีมากจริงๆเอาไปทาไร่สาเร็จจริงๆแต่ความไม่ดีความชัว่วที่เกิดจากนมามธรรมก็เป็นโทษมหาศาลไปก่อนถึงก่อนจิตพาไปสำเร็จก็เพราะจิตมังเาจึงมีสติเอาลูปอนามมาใช้ทำคุณงาความดีเป็นการขนส่งจิตเป็นการขนส่งชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นไป แล้วก็สําเร็จดึงกันไปขี้ให้ดูแต่ก่อนนี้เราเสียเปรียบรูปไปทําชั่วนามไปทําชั่วสามสิบปีป่าเถื่อนถ้าเป็นรูปก็เถือ่อนถ้าไปตามกดเถือ่อนโดยพูดจูเส ม, มอว่าถ้าเป็นนามคือจิตใจเนี่ยมันคิดอะไรก็คิดได้นะเหมือนกับโสเพณีกิจสมสรเอาหอบพิวไปไหนก็ได้ถ้าเรายังไม่ฝึกหัดปฏิบัติธรรม มันไม่มีเจ้าของกิจที่ไม่มีเจ้าของหรือกายคือใจหรือรูปน้ําไม่มีเจ้าของเขาหอบเทียวไปไหนก็ได้เมื่อเราฝึกในสติแล้วไม่เป็นเจ้าของโลกเจ้าของนามที่เกิดในสงค์ขึ้นจากการเจริญสติเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นพลังล่วงทำให้เกิดอานาจเกิดความเป็นธรรม ความโลดสึกตัวนะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาหรือว่าพลังงานที่ร่วมกันศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยสนับสนุนกันเราไม่สติความโลภความโกมโรธความหลงควาเป็นพลังล่มเอาชีวิตของเราก็เถื่อนไปเลยเถื่อนในตัวเรายังไม่พอยังมีผลกระทบต่ออีกหลายๆอย่างกินเหล้าโซบูรี ปิดช้าพยาบาทกันเป็นปัญหาก่อการทะเลาะวิวาทจนเกิดปัญหาต่อโลกทั้งโลกความโกรธของคนคนเดียวสองคนเกิดเป็นการก่อเวทนาศกรรมที่หายมามากต่อมากแล้วเราจะไปสร้างลูกลรเปิดไปเข็นไปฆ่ากันมันก็ยังไม่ถูกเราจึงมาบอกกันเน่ะมาบอกความจริงมันเกิดอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่รูปที่นาม อยู่ที่ตัวหลงตัวรู้นะทำยังไงคนเราจึงจะมาศึกษาเรื่องนี้กันแล้วมันก็จบได้คนในโลกนะอ้าหมืน่นคนกาล้านคนนะถ้าทุกคนมีความรู้สึกตัวว่าลัดในมือเดียวเกิดความสงบร่มเย็นทันทีถ้าไปเข็นไปฆ่ากันสร้างโลกระเบิดไปเที่ยงที่อัปการนิฐานลูกหนึ่งสองร้อยล้านบาทห้าร้อยล้านบาทเจาะขอนจีดได้แปดสิบเม็ด ไปเค้นไปฆ่ากันสมองเหมือนกันปัญญาเหมือนกันปัญญามันไปทางนั่นเหมือนกันปัญญาพุทธะมันต้องเป็นปัญญาลืดถอนไม่ต้องไปตามตามที่เหตุที่ผลแบบนั้นกลับมากลับมามองตัวเองวิสัยของบัณฑิต ต, ต้องมองตนไม่ใช่ไปมองอันเดินถ้าทุกคนหันกลับมามองตน เ, เปลี่ยนร้เป็นดีที่รูปที่นามของเรานะีนสติสมชัญญะ มันได้หลักได้ฐานไใช่ยปล่อยปะแล้วเลยเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นวัตถุอื่นไปแขวนไว้กับผู้กับคนไปแขวนไว้กับสิ่งกับของก็อกหักเสียอกเสียใจจึงมาเป็นชีวิตของเราลุ่นล้ดอยู่ในกำมือพอลูกก็เห็นอยู่มันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับลูกกำนาำเราก็เกี่ยวข้องถูกขึ้นเรามีสติเห็นกายเห็นกาย ก็ได้รคำตอบว่ากายก็ศักว่ากายกายมันเป็นรูปธรรมไม่มีใครเป็นใหญ่มันได้ในกายมีแต่เกี่ยวข้องให้มันถูกต้องเหมือนพระรัฐบาลที่เป็นพระหันโลกนี่ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนย่อมลาะเที่ยงในสิ่งทั้งปวงโลกนี่ปกครองอยู่เป็นนิดเป็นไม่ลู้จะกอิ่มเป็นทาตุของความกกายรูปเน่ะ เราจียวค้องกับบรรให้ถูกมันก็อยู่ให้เราใช้ถ้าเจียวค้องไม่ถูกมันก็เป็นโทษต่อเร า, าโกรธบ่อยๆกทษบ่อยๆเครียดบ่อยๆก็เป็นโรคของพออาหารเกิดโรคแทรกซ้อนอาภายมากถ้าจิตใจสงบปล่มเย็นกายก็ไม่สูบบุหรี่ไม่มีอะไรที่เกิดความหลงไม่แต่ความรู้เป็นเจ้าของสิ่งไหนมีเจ้าของดูแลสิ่งนั้นก็ปลอดภยัยเอามาใช้ให้สําเร็จประโยชน์ ปฏิบัติธรรมมันต้องไปแบบนี้ไม่ใช่ไปมีลิทธิลึกลับซับซ้อนจนมองไม่เห็นไม่ใช่ลึกลับก็ว่าลึกลับเนี่ยมันคือไม่มีใครศึกษาได้ําว่าลึกซึ้งเนี่ยเห็นได้ทุกคนลึกซึ้งสัมผัสได้จนอืมเห็นความหลงกับอืมเห็นความรู้อืมสัมผัสกับความรู้สัมผัสกับความหลง มันเกิดร้อนเกิดหนาวมันเกิดหิวเกิดปวดก็สัมผัสมันเป็นการบันเทิงบันเทิงในธรรมต้องบอกอืมเป็นการบันเทิงลู่ลึกซึ้งไม่ใช่แบบโอ้ยไม่ไหวไม่ใช่แบบนั้นไม่ไหวไม่ไหวไม่มีผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่จเจริญเสตย์แย่แย่ก็ไม่มื่มีแต่อืมความร้อนความหิวอืม ขอบคุณความร้อนขอบคุณความหิวประโยุเกิดมันเจ็บขอบคุณความเจ็บนะแต่รูปมันเจ็บไม่เป็นมันก็เป็นอันตรายถ้ามันร้อนไม่เป็นก็เป็นอันตรายถ้ามันหนาวไม่เป็นก็เป็นอันตรายถ้ามันเหนียวไม่เป็นก็เป็นอันตรายขอบคุณเขาที่เขาหิวแล้วเขาไม่หิวมันอยู่ไม่ได้มันตายมันเจ็บหายแล้วรู้จัก หนูเขาลูจักอิม่มก็รูุ้กจากขับถ่ายเอาลูกเก็บลูกปวดใช้งานมากก็ปวดกินอาหารไม่ถูกก็ท้องเสียเขาก็รู้จักขับรู้จักถ่ายรู้จักช่วยเราจะเกิดมีหมอมียกมียากัน ม, มาเพื่อช่วยลูกเราก็ช่วยเฉลยก็มาไหวทวนนะอ่อสุบุรี่ก็เป็นโรคปอดกินเโ้า ก, ก็เป็นโรคตับยินอาหารที่ไม่ สะอาดก็เกิดเป็นโรคหลายหลายอย่างโลกที่เกิดจากใช่กายไม่เป็นใช่ชีวิตไม่เป็นก็ไม่มากอย่างโลกปงโลกแต่งโ ล, โลกกิเลสตัณหากลายเป็นโลกอกิดโลกอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีกมากมายเกิดขึ้นที่เราใช้ชีวิตไม่เป็นพระพุทธเจ้าจึงรู้แจ้งโลกกายอันคว้างศอกยาวานาคือพระลูตรงนี้จงมาลูจากตัวเองคํานีิหมาย ว่าคนพบแจ้วได้ในตัวท่านหานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกโปบาทจุดในเราอยากเขาป่วยในดอกบัวมีม่เนอเอกุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้กานตรัสรู้หรือรูอร้เสียงใดใดล้วนมาจากความรู้ในตัวสูนั่นแหละเองในตัวเราเองมีพร้อมแล้วมีพร้อมทุกอย่างมีทุกความดับทุกวิธีทำให้ถึงความดับทุกดับทุกได้ ความโกรธก็ดับได้ไม่โกรธก็ได้ความหลงก็ดับได้ไม่หลงก็ได้ความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็ได้มันมีคู่อย่าหมดเนื้อหมดตัวไปกับความหลงอย่าหมดตัวหมดตัวไปกับความโกรธอย่าหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์มันเป็นการเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้เปลี่ยนได้จ้ะมันหลงไม่หลงมันโกรธไม่โกรธหัดเปลี่ยนหัดเปลี่ยนให้เป็นมันมีตรงกันข้าม เมื่อมีเกิดก็ต้องไม่ไม่เกิดเมื่อมีแฉก็ต้องไม่ไม่แฉ่เมื่อมีเก็บก็ต้องไม่ไม่เก็บเมื่อมีตายก็ต้องไม่ไม่ตายอะไรมันคือความเกิดอะไรมันคือความแฉกอะไรมันคือความเจ็บอะไรมันคือความตายความไม่เที่ยงก็มอบให้ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็มอบให้ใช่ความไม่ใช่ตัวตนความเป็นทุกข์ก็มอบให้ความเป็นทุกข์อย่าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเราสุขเราทุกข์ ทุกบางอย่างกำหนดลู่โดยการลู่ทุกบางอย่างกำหนดลู่โดยการบรรเทาทุกบางอย่างกำหนดลู่โดยการละเช่นความโกรธเนีบรรเทาไม่ได้กูได้ด่ามันกูก็หายโกรธไม่ได้เดทาดความโกรธต้องละทันทีความโกรธต้องละทันทีทุกพอความร้อนต้องเข้าล้มอาบน้ําพัดลมเข้าห้องแอร์บรรเทาทุกพอความหิวต้องไปกินข้าวไปกินน้ํา ตุกพอเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ต้องพักผอนอย่ารีดตัวเราจนเกินไปทุกบางอย่างกําหนดรู้ฉันความไม่เที่ยงกําหนดรู้แล้วรู้แล้วความไม่เที่ยงรู้แล้วความเป็นทุกข์คำว่ารู้แล้วเนี่ยเอาไว้ข้างหลังแล้วอันความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าใช่เยอะคํานี้เรียกว่าอัญญาสีอัญญาสีรู้แล้วรู้แล้วความไม่เที่ยงก็รู้แล้วไม่ออกมาไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหลังแล้วความไม่เที่ยงผ่านแล้ว ความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วเนี่ยทุกอย่างนี่กำหนดรู้ดรือการรู้มันหนีไม่ได้อันความไม่เที่ยงไม่มีใครหนีได้ความเป็นทุกข์ก็ไม่มีใครหนีได้ความไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครหนีได้แต่เราจะต้องใช้มันเอาไปเที่ยงความไม่เที่ยงก็ที่ยงลงในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ที่ยงลงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็ทิ่งลงไปในความไม่ใช่ตัวตนเป็นถังขยะของชีวิตไม่มีขยะในชีวิตเลย สะอาดบริสุทธิ์บาทีความไม่เที่ยงก็มาเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนออกมาเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ออกมาเป็นทุกข์มันเต็มไปด้วยขยะในใจรักเนี่เป็นที่ทิ้งของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนผู้ที่เห็นใจรักตามความเป็นจริงเอียงไปสู่ไปไหลไปสู่มรรคสู่ผลจะเลินในใจลักอย่างเดียวถึงมรรคถึงผลได้เหมันกัน เวลาใดมันโกรธความโกรธก็ไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรไปยึดไปถือผ่านไปแล้วสิ่งไหนเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์กมันก็ไม่เที่ยงความโกรธมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเก่งๆความโกรธความโกรธมันเป็นทุกข์ควรหรือที่จะไปยึดเตอาเมื่อเราสวดมนต์ธรรมวจน์ชาวเนี่ยเอาคําเทศนาของพระเจ้ามาสาธยาย มีผู้บรรลุธรรมในเรื่องนี้เป็นส่วนมากเช่นอัญญากฏทัญยะเนี่ยก็รูปเที่ยงไม้ไม่เที่ยงพ่อเจ้าขาเสียงไหนไม่เที่ยงเื่อนั่นเป็นสุขจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์พ่อเจ้าขาเสียงไหนเป็นทุกข์ควรอยู่หรือที่จะไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ควรพ่อเจ้าข้าก็หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปหลุดพ้นไปจนในที่สุดสําเร็จเป็นพระหันเป็นพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในโลกก็พราเรื่องไหน เอวังพะพองรังสาวเกวเวเนติที่เราสวดพระเจ้าท่านก็ทรง ส, สั่งสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากสาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากรู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากจะเลิญในตจลักษเนี่ยพอเห็นรูปเห็นนามมันก็เห็นเป้าเลยเป็นใจลักทันทีใ้รูปของรูปของนามมันตกอยู่ในสภาพของไตจลักใจลักพาให้ถึงมรรคถึงผลเลยวางเป็นทิ้งเป็น ไปยึดเต่าบางทีเราเป็นทุกข์ประกอมไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์ประกอบทุกข์เราเป็นทุกข์ประกอมไม่ใช่ตัวตนพอ เ, เห็นแล้วนี่โอ้ยเกลี้ยงเก็เลยมีที่ทิ้งขยะเหมือนถังขยะหน้าบ้านถังขยะมีหน้าบ้านก็ไม่สปกปรกไม่กระชุยกระจายการปฏิบัติธรรมก็สรุปง่ายนะตัวรู้ตัวห ล, ลงอะไรที่มันเกิดขึ้น ตัวรู้สึกตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปสัมผัสนี่ปฏิบัติได้ให้ผลได้อย่างนี้การปฏิบัติอยู่กับตัวเราไม่ใช่อยู่สุกตัวไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์ของเราเราเป็นแต่เพียงกัลยาณมิตรกันอยู่ด้วยกันชวนกันพูดชวนกันคุยท่านก็รู้เอเองความรู้สึกตัวท่านก็รู้เองมือของท่านกายของท่านท่านก็มาผลิตความรู้สึกตัว เราก็ได้หลักแกนนี้ได้หลักแกนนี้เอาไปใช้เราอยู่ที่ไหนก็อยู่กับเราอ่านหนังสือเขียนหนังสือทํางานในความรู้สึกตัวก็ก็เว้นวักบ้างบางโอกาสการทํางานไม่ใช่รีดไม่ใช่หมกมุ่นวักไว้บ้างเห็นทํางานไปมันชิดรายงานแย่ก็วักไว้บ้างนั่งกระดิกเนี่ยมือ เอี่ยมใจวางใบหน้าหายใจเลึกอยๆกระด็กเนวมือรู้สึกโตเปลี่ยนภาพพจน์ถ้าจะว่าเปลี่ยนภาพพจนตั้งใหม่ชีวิตที่ดีต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆมันจึงใหม่แม้เราสร้างจังหวะบางทีมันเก่านะรีบทที่ใช้นานๆมันเก่าเป็นครึ่งลู่ครึ่งหลงเดินนานๆก็ครึ่งลู่ครึ่งหลงนั่งยกมือนานๆก็ครึ่งลู่ครึ่งหลง ควรจะวักมางมือมางวางไหวเฉยหายใจสักรอบสองรอบผู้ที่ลมหายใจคอยมากระทิกมือเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ให้มันชัดเจนชัดเจนอย่าครึ่งลู่ครึ่งหลงมันจะได้นิสัยที่ดีผู้บรรลุธรรมต้องจัดเจนในเรื่องนี้ไม่ใช่หมกมุ่นทำเต่พิ่ต่พื่ไม่ลู่อะไรมันจะลู่เองดอกมันจะลู่แองดอกตั้งอยู่ในความหลง ก็ปล่อยให้ความหลงมันลู่มันก็ลงไปเลยเลยไก็เปลี่นยนเรื่องก็เปลี่ยนชัดเจนจัดเจนเหมือนคนไปฝึกงานก็ต้องตามงานต้องฝึกให้มันจัดเจนลงไปจุดอ่อนจุดแข็งมาอยู่ตรงไหนสร้างบ้านสร้างเรือนควรใส่ใจตรงไหนตรงไหนมันเป็นจุดอ่อนหมือนอาจารย์ทรงศีลกำลังดูแลการก่อสร้างจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนเออถ้าผ่านจุดที่มันอันตรายได้เออพ้นไปแล้ว เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็พูดให้ฟังคำพูดวันนี้ไม่ใช่จบรงวันนี้มันก็อยู่กับเราเราได้ยินได้ฟังเอาไปทำเอาไปทำคำพูดเนี่เป็นการสัมผัสไม่ใช่เล่าในฐานไม่ใช่เล่าในใยายเป็นเรื่องชีวิตของเราจริงๆนะอ้าวก็สมควรใจเวลา